บางคนเนี่ยก็กลิ่นตัวเนี่ยนะครับบางคนก็กลิ่นอย่างผู้ชายเราบางคนเนี่ยเหมือนกับถั่วเน่าบางคนนะออกจากห้องน้ํามาแล้ว ก, กลิ่นนะทีนีบางคนเนี่ยหอมครับ อ, ราอาพออกจากห้องน้ําเนี่ยกลิ่นหอมมีลักษณะหอมนะ จจะส บ, บู่ด้วยแต่บางคนฟอก ส, ส บ, บู่มันยังปวนเน่าอยู่แล้วนะครับแบ่ก็ตั้งพระคอมพระคอมม้าเนี่ยครับดมรู้เลยอีวอนพระเหมือนกันขอโทษจะพูดเดี๋ยว่าผมนึกถึงตอนนี่ผมไปถูกอยู่กับพระพระนักปฏิบัติบนเขาแล้วก็พมก็ ได้พึ่งพาจีวรท่านเนี่ยครับได้ใช้สอยได้นุ่งได้หอมบ้างนะครับก<อ>็ไม่เยอะนุ่ง อ, ออกมาก็นอกก็ น, นุ่งใช้สอยลักษณะท่ายใชย้เพราะไม่ได้มีอะไรพกกันไปขนาดซักแล้วนะครับท่านก็ยังมีกลิ่นเป็นแบบของท่านเป็นแบบของท่านก็เป็นธรรมดาอย่างนี้เนียครับทีนี้บางคนในกลิ่นหอมนะฮะดีก็ ต่นกระจายแล้ตื่นแล้วรู้สึกว่าสบายจ่มหมวกหน่อยวเว่าพูดก็เหมือนกันใช่ไหมบางคนก็พูดแล้วหน้าฟังจริงครับผมผมบังยัประทับใจผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผมไม่รู้จักผมนั่งเรือเข้าไปอ่ที่บ้านตะลิ่งชัางงานเวลาไหแล้วผมติดใจอยากจะเห็นหน้าแล้วก็ไม่ได้เห็นมาจนบัดนี้ เธอนั่งลงเรือลำเดียวกับผมเนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้วก็สนทนากับพระที่นั่งอีกไอ้นี่แล้วในมือเนี่ยครับเห็นจะเอาไอ้ดอกบัวมาพับเป็นรูปเพื่อจะไปถวายพระเป็นขอบเชืแสดงว่าใจบุญและลาพูดเพราะจริงๆไม่เคยได้ยินผู้หญิงคนไหนพูดเพรอะอย่างนี้มาก่อนเลยอ้า สำเพ็เงเรียงการหาังเสียง อ, ยะอะไรแต่ไรเนี่ยเพราะที่เธอนั่อยู่ข้างหน้าผมก็พยายาณจะมองให้ได้เห็นหน้าหน้ายจะเป็นยังไงนะแต่เห็นข้างหลังก็ก็ต่อท่าทางอย่าบุกลิษดีหรื่องมันนะผมก็นักว่าเดี๋ยวตอนเธอขึ้นเรือเนี่ยจะต้องขอเสียมารยาตดูหน่อยดูหน้าหน่อยตอนทั้งที่ธรรมดาเนี่ยที่จะขึ้นเรือปกติเรือมันต่ำกว่าสะพานที่ขึ้น ก็ธรรมดาเราก็จะต้องรักษาอายาที่จะไม่ไปดูคนขึ้นเรือนะครับขึ้นจากเรืออันนี้เราไม่ได้ไปเจตนาอื่นอยากจะดูที่หน้าเป็นอะไเพื่อเขาจะหลบแผลอะไรมาได้เลยเห็นบ้างก็ไม่ได้เห็นครับพอเธอขึ้นพับเธอก็เดินเฉยขึ้นไปเลยวันหลังผมก็นั่งเรืออีกก็พยายามจะดูผู้หญิง ค, น, ค, น, ค, น, คนนี้จนคืองคน้มาได้จีบสักสองสามปีแล้ว ไม่ได้เจอสักทีไม่รู้เป็นมนุษย์หรือเทวดาเพ <c oughs> ราะจริงๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างว่าจะมีได้ที่เขาคงจะได้ทำบุญลุนทานอาไว้เห็นไหมครับแล้วบางคนเนี่ยเวลาพูดไม่เพราะก็ไม่เพราะได้จริงๆครับไม่เพราะจริงๆจะพูดอะไรจะพยายามให้เพราะก็ยังฝักเข็ดเยือนั่นอเองพอประ่านโทษมาได้วาไปแลวพูดถึงว่าแต่ จะเป็นอย่างนี้บ้างก็ถือว่าเป็นหลักธรรมดาของกรรมเราไม่ถือกันนะนะแต่บางคนเนี่ยพยายามจะพูดให้พร้อแต่ไม่ฟังไม่พร้ออยู่นั่นเองดูเดิ๋ยวยังไงก็ไม่รู้หรือดูเหมือนบันนอกมันนอกหน้าลำคาลลำคาลเนี่ก็ไม่รู้นะบางคนเป็นยังไงแต่นี่นก็าพูดหญิงอีกคนหนึ่งนะแต่ขอโทษไม่ได้อยู่ในห้องนี้ พูดแค่กีเดียวไม่มีใครมาคุยด้วยอาว่าไปค่อยจ้องจับผิดเ้านะก็เป็นลูทาหอนในเรื่องกฎของวิบากกรรมมันแล้วกันนี่ก็เป็นเป็นอาจจะเป็นความเป็นไปได้นะครับที น, นี้เราก็มาดูปัญหาที่สองดีกว่าเมื่อ เราถามว่าอุจจาระปตาวังพุทธเจ้าหอมเคืองเกนตรชาิใดๆหรือเมื่อตอบว่าใช่แล้วก็ <c oughs> าถามข้อที่สองว่าพระผู้มีพระภาคทรงบริโภคของหอมหรือเนี่ยเพราะว่าอาหารเนี่ยมันก็มีส่วนเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเรากินของบางอย่างเนี่ยไ อ, ไอเวลาทายหนักทายเบากลิ่นก็ฉุน ยกตัวอย่างคนกินเหล้าเนี่ยหน่าเบื่อนะไปทีในบ้านมีคนกินเหล้าเวลาออกจากห้องน้ําดีโอ้โหเหม็นค้างอยู่เป็นชั่วโมง่คๆบางทีลาดแล้วขัดแล้วก็ยังไม่เห็นเพราะมันไปจับไปที่ไปดานที่อะไรทอะไรเหม็นจริงพวกขี้เหล้าหรือกินไอ้ของบางอย่างแต่ว่าบางอย่างเนี่ย กินเข้าไปแล้วก็อุจจาระไม่เหม็นเราก็ไม่กล้าที่จะพูดว่าถึงก็น่าจะหอมไปนะก็พูดมันเหม็นอย่างค่อยอยังชัว่วหน่อยเหม็นน้อยหรืออาจจะมี้กลิ่นที่ดูดีๆปนๆอยู่บ้างอะไรอย่างนี้นั้นเราก็เลยถามถึงเหตุว่าถ้ากินของหอมมันก็น่าจะหอม แต่ก็นั่นละครับลงกินของหอมอาหารที่กินกินเข้าไปหนึ่งก็ห อ, หอมๆดังนั้นน่ะใช่ไหมฮะไอตอนที่มันยังอยู่ข้างนอกก็เรียกว่านำลายยืดน้ำลาย ย, อย้อยหันจมูกไปหาต้นตอของกลิ่นแต่พอบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นของเหม็นหมดอันนี้ท่านก็ได้พาราณนาไว้ในเรื่องของอาหารีปฏิกูลสัญญาแหละ เมื่อเราถามอย่างนี้ก็เลยปฏิเสธว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาในฉันกแกะจุนจัดหรือของหอมอะไรเป็นพระกาย า, ารสามคำถามที่สามนะคะรับครบคู่มีประภาทรงบริโภคเข้าสุก ข, ขน ม, ม, มกุ้มาดมีใชรือก็หมายราว่าทรงบริโภคอาหารอย่างชาวโลกเขาบริโภคกันมีใชรือ้อราะว่า เราถวายทานถวายอะไรปรุงยาเนี่ยเราก็ถวายอย่างที่เราฉันโดยมากอาจจะดีกว่าที่เราฉันแต่มันก็ไม่หนีจากสิ่งที่เราฉันใช่ไหมครับแต่ชาวบ้านก็ฉันยังไงแต่เป็นทาเป็นสามีทานก็ดีกว่าขึ้นไปบ้างเป็นกษัตริย์ก็เกณฑ์ทั่วไปดีอยู่ก็ถวายดีตามเกณฑ์ของตัวยังไงก็ยังเป็นของอย่างที่ผู้ถวายฉันเอง ผู้ยักเว้นแต่ในบางโอกาสในปัญหาเรื่องสุกรามตะวะนั่นก็เป็นอีกเรื่องเป็นอาหารพิเศษที่ธรรมดาไม่ได้ฉันกันคำถามที่สี่อันนี้อีกแง่นึงนะครับว่ามีคนบางพวกที่อามทาเจิม อุดจาระปัสวะของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าเก็บไว้ในลุง่งบรรจุไว้ในขวดแผ่ขายที่ตลาดทำกิจด้วยของหอมด้วยกลิ่นนั้นมีอยู่หรือเนี่ครับตัวนี้ก็คือหนึ่งการใช้มีใครเอามาใช้อย่างของในฐานะของหอมบ้าง ของหอมเช่นเราอาบอาบก็อาบน้ำน้ำหอมนะครับอย่างเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าอาบน้ํานมน้ํานมหรือเจอมิมเอาของหอมเจมิมอย่างเช่นเจิมน้าผากเจมิมตรงนั้นตรงนี้นะครับอย่างน้ําหอมเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีลูกลกกลิ้งครึงคร่งตรงนั้นตรงนี้เป็นน้ําหอมนะดีผม คอนางจะแพ้น้ำหอมไปอย่างวิทยาศาสตร์ก็มีคนก็เคยให้มาก็คืนคืนก็สองทีสาทีก็ใช้ไม่ไหวครับเพราะว่าฉุนจัดไป่าคืนคืนนะมาคืนคืนตัวนั้นตรงนี้ไม่ถึงก็จะต้องคืงนทั้งตัวนะคแต่เป็นที่ที่พอเป็นอันใช้ได้ก็ไม่เห็นมีใครเขาใช้กันเลยคไม่มีใครใช้เลยใช่ไหมฮเราไม่เคยได้ยินเลยจะมี ครบสมบูรณ์ตามที่ว่ามาในนี้ทั้งหมดเน่ะก็เห็นจะเคยได้ยินบุ้งเคยอ่านหนังสืออยู่เรื่องหนึ่งนะครับมันเป็นเพีิงเกร็ดความรู้นิดหน่อยอย่กัเรื่องท า, าลัยรามะเมื่อปีที่หกเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ไฟไหม้ไปแล้วทาลัยลามะเนี่ยเป็นเทพเจ้าของชาวดิเบตเขานับถือทั้งตัว อุจจาระบรรทัศวาของท่านเนี่ยพูดง่ายว่าไม่มีเหลือให้หมากินเนี่ยจริงๆเพราะว่าคนเนี่ยจะเอาไปใช้ไปทากระทั่งกินด้วยความนับถือจริงๆกินเป็นอะไรกินเป็นยาแล้วก็ปรากฏว่ามีคนที่หายเพราะการกินอุจจาระบรรทัวะขององค์ธาริลามะประเด็นเมื่อองค์ธาริลามะถ่ายว่าบางคนเน ว่าถึงัะแย่งกันในในบางโอกาสที่แย่งกันได้แย่งบุจ ร, ระปัาวะกันอย่าไปนึกวาดภาเป็นหมูเป็นหมาอะไรแล้วกันแย่งจริงๆนี่ก็นับถือเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นอย่างนี้เชื่อถือถึงขนาดนี้ก็คงจะต้องมีการเก็บกันในลุงในขวดได้จริง มีการเชื่อต่อขายกันได้จริงแบ่งปันกันได้คงจะจริงได้ครบทุกอย่างไหนฮะอ๋อ ค, คงจะเป็นภาชนะจะนิดหนึ่งนะครับในผงก็ยังไม่ไม่เลยราบว่าเป็นอะไรไม่ได้ไปดูก็จาะจะนรกลงคงจะเป็นภาชนะอะไรบางอย่างที่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นภาชนะนี้คงจะไม่ได้ใช้กันแล้วหรื อ, อกลายลูกไปเป็นชื่ออื่นไป โอ้ยไม่ทนาบ้วก็ไม่มีนะครับเย่างนง้นเหอน่นเรียกโกรธรใชหรื่อเหลออนนี้ลุ้งเหมือนกันใช่ไหมอ้ก็แสดงว่าเหลอ๋อ นนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นของหอมเขาเก็บงำกันอย่างนั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าเาพราะบางคนหนักบางคนเบาไม่ได้เก็บงมอย่างนี้แสดงไม่ได้อยู่ในฐานะจะเป็นอย่างนี้ได้และที่ว่าทํากิจด้วยของหอมก็คือการเอาของหอมไปใช้งานในพิธีการใดๆเช่นไปทําทูปขายผสมลงไปนะครับหรือไปจา จะเผาของหอมให้เป็นกลิ่นกระจายไปทั่วบริเวณในพิธียัญกรรมอะไรต่างก็ได้แต่ก็ไม่เห็นไม่เคยมีปรากฏเลยก็เลยถามพระวาทีพระวาทีก็มองไม่เห็นนึกไม่ได้ปฏิศเสธไปก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ควรจะกล่าวว่าเป็นของหอมเป็นอันว่าจบนะครับอันนี้ต้องเข้าใจว่าถ้าโดยธรรมดาปกติก็เหมือนกับม น, นุษย์ แต่ถ้าในกรณีพิเศษอาจจะเป็นไม่ได้ที่ทรงบรรดาไนปนทิพย์นนเป็นอีกเรื่องนะครับแล้วก็ไม่รู้จะบรรดาลไปเพื่ออะไรนะฮะก็ยังไม่เคยเจอตัวอย่างว่าที่จะทรงไปบรรดาลเพื่อจิตในทางเทวนานในเรื่องใดกับใครที่ไหนก็คงจะยุติเท่านี้คราวหน้าเราพบกันอีกเรื่องนะครับคราวหน้าคงจะเป็นเรื่องเดียวเรื่องพระดํารัตเป็นอะไร โอ้โครับ อ, อ, อครับผมก็ครับครับเราเราหยุดนะกะ็ เ, เป็นอนว่าหยุดตาม12สองด้วยเหรอครับก็วันที่ห้านะฮะวันที่ห้าทรงก่าวันสำคัญเราก็ เราหยุดกันตามธรรมเนียมของที่นี่ครับ